ศา ส, สนาพิธีกรรมไม่ใช่ศาสนาอย่างแน่นอนเพราะในการประกอบพิธีกรรมนั้นคุณเพียงแต่ทำตามสูตรสาเร็จที่ถ่ายทอดกันมาคุณอาจได้รับความพึงพอใจในการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับที่คนอื่นๆได้รับความพอใจจากการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าหรือยาเสพติด การจัดพิธีกรรมไม่ใช่ศาสนาการไปโบสถ์ไม่ใช่ศาสนาและการเชื่อก็ไม่ใช่ศาสนาเลิกทำตามผู้นำหรือศาสนาใดๆแล้วจิตใจของคุณก็เหมือนกับกระจกหน้าต่างที่ใสสะอาดซึ่งคุณสามารถมองผ่านออกไปได้อย่างแจ้งชัดกระจะตา เมื่อจิตใจของคุณปราศจากภาพเคารพพิธีกรรมความเชื่อสั ญ, ญลักษณ์คำเทศนามนตราทั้งหลายปราศจากความหวาดกลัวทุกประการแล้วสิ่งที่คุณเห็นก็คือความจริงที่เป็นอมะตะไร้าการเวลาซึ่งอาจจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้าศาสนาคือสำนึกแห่งความดีงาม ความถูกต้องเป็นกระแสทานแห่งความรักคล้ายกับแม่น้ำมีชีวิตไหลไปเป็นนิจสินการมีศาสนาหมายถึงความพร้อมพรักที่จะตรหนักรู้ในสัจจะผู้ที่เข้าถึงศาสนาอย่างแท้จริงย่อมไปพ้นจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทุกประการ ศาสนานี้ไม่ได้หมายถึงนักบวชสถาบันองค์กรหลักประพฤติหรือกลุ่มบุคคลผู้เชื่อถือเพราะสิ่งเหล่านี้หาใช่ศาสนาไม่มันเป็นเพียงวิถีทางที่สะดวกที่สุดของสังคมที่จะ ก, กักขังเราไว้ภายในรูปแบบบางอย่างแห่งความคิดและการกระทำมันเป็นเครื่องมือในการทำลายก่อให้เกิดความงมงาย เกิดความหวังและความกลัวแต่โดยเนื้อแท้แล้วศาสนาคือการค้นหาออกมาว่าอะไรคือสัจจะอะไรคือพระเจ้าและในการค้นหานี้ต้องการพลังอันมหาศาลต้องการภูมิปัญญาใคร่ครวนอย่างลึกซึ้งในการค้นหาสิ่งอันลึกซึ้งสูงสุดการค้นหาสัจจะ คือศาสนาที่แท้จริงและบุคคลผู้แสวงหาสัจจะเท่านั้นจึงนับได้ว่าเป็นศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลที่แท้จริงเท่านั้นจึงเป็นนักปฏิวัติที่แท้จริงความหมายของคำว่าศาสนาหมายถึงการรวมพลังทุกๆส่วนที่เธอมีอยู่เพื่อสืบค้นดูว่าอะไรคือสัจจะ อะไรคือความเป็นจริงอะไรคือสมาธิทำไมมนุษย์เราจึงมีชีวิตอยู่เช่นขณะนี้ดูว่าจะมีการหลุดพ้นจากทุกข์ได้หรือไม่ดูว่าอะไรคือความรักดูว่าเราจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการดิ้นรนพยายามปราศจากการควบคุมใดๆ ไ, ได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้คือคำว่าศาสนา ถ้าเธอทิ้งสิ่งที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาซึ่งหมายถึงเชื้อชาติวันนะความเชื่อพิธีกรรมการไปวัดทั้งหมดนั้นเธอทิ้งมันไปหรื อ, อยังอย่างหรือถ้าเะ่นนั้นเธอจะค้นพบได้อย่างไรว่าชีวิตที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างไรในเมื่อเธอตาบอดเสียแล้ว ชีวิตที่เคร่งศาสนาบ่งบอกว่าจงเป็นแสงสว่างแก่ตัวเธอเองซึ่งหมายถึงว่าต้องไม่มีอิทธิพลภายนอกมายุ่งเกี่ยวผู้ที่เชื่อถือในศาสนาต่างพยายามจะปลูกฝังความเชื่อเหล่านั้นให้เด็กสร้างความหวังและความกลัวซึ่งพวกนั้นได้รับมาจากพ่อแม่ของตนอีกทีหนึ่งและผู้ที่ต่อต้านศาสนาก็จะสั่งสอนให้เด็กยอมรับ แนวความคิดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เด็กเชื่อสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเป็นแต่เพียงความเชื่อในระบบใดระบบหนึ่งรวมทั้งลัทธิพิธีกรรมความลึกลับและการเชื่อโชคลางต่างๆถึงแม้ว่าทุกศาสนาจะยืนยันว่าพวกเขานับถือในพระเจ้า และกล่าวว่าเราจะต้องรักซึ่งกันและกันมันกลับสร้างความกลัวขึ้นภายใต้ลทัทธิที่มีผลตอบแทนและการลงโทษและโดยลัทธิที่แข่งขันกันเองจะสร้างความสงสัยและความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดลทัทธิความลึกลับและพิธีกรรมไม่ใช่ทางหนังไปสู่ชีวิตที่สูงส่งทางจิตวิ ญ, ญญาณ ความหมายที่แท้จริงก็คือการทําให้เด็กเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเองต่อคนอื่นต่อสิ่งต่างๆ ต, ต่อธรรมชาติจะไม่มีใครดํารงอยู่ได้โดยไม่มีความสัมพันธ์ถ้าไม่มีความรู้ในตนความสัมพันธ์ทุกชนิดทั้งกับคนใดคนหนึ่งหรือคนหมู่มากจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและความโศกเศร้า สิ่งที่เราเรียกว่าการฝึกฝนทางศาสนาไม่สนับสนุนให้มีการถามคำถามและสงสัยแต่เมื่อเราตั้งคำถามถึงคุณค่าที่แท้จริงที่สังคมและศาสนาต่างให้แก่เราเมื่อนั้นเราจะเริ่มค้นพบว่าอะไรคือสัจจะศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมหรือความหวังและความกลัว คนส่วนใหญ่ที่เชื่อในศาสนาผู้ซึ่งพูดถึงพระเจ้าและความเป็นอมตะจะไม่เชื่อในเสรีภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของปัจเจกชนแต่ศาสนาก็เป็นการปลูกฝังอิสระในการค้นหาสัจจะจะไม่สามารถมีสิ่งที่อยู่ครึ่งๆกลางๆระหว่างเสรีภาพเสรีภาพเพียงบางส่วนสําหรับปัจเจกชนจะไม่ใช่เสรีภาพเลย ศาสนาที่ตั้งขึ้นมานี้เป็นความคิดอัลลาสมัยซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ซึ่งทำให้มนุษย์สร้างวัดวาอารามและโบสถ์มันได้กลายเป็นเครื่องปลอบประโลมความกลัวเป็นสิ่งที่ทำให้ลืมความทุกโศแต่พระเจ้าหรือความจริงนั้นอยู่ไกลเหนือจิตใจและความต้องการทางความรู้สึกต่างๆบรรดาพ่อแม่และครูซึ่งนาเอากระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งสร้างความกลัวและความเศร้าควรจะสามารถช่วยให้เยาวชนสังเกตและเข้าใจความขัดแย้งและความคิดต่างๆของเขาเองถ้าหากเรายัางไม่สามารถสร้างความเป็นระเบียบและสันติสุขในโลกโดยเปลี่ยนตัวเราเองอย่างสิ้นเชิงได้แล้วพวกคำพีศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ของาศาสนาต่างๆจะทาอะไรได้